เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่นานทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านนั่นก็คือภารกิจดูแลรักษาจิตใจของท่านเพราะจิตใจเป็นสมบัติชิ้นเดียวในโลกนี้ที่จะอยู่กับท่านไปตลอดลสมบัติต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รวมทั้งร่างกายนี้ จะไม่อยู่กับท่านไปตลอดจะต้องมีวันพัดพากจากกันมีวันที่จะหมดสภาพไปแต่จิตใจของพวกเรานี่ไม่มีวันหมดสภาพเป็นของถาวรเป็นของที่ไม่มีวันตายแต่เป็นของที่ขาดการดูแลรักษาจึงมีแต่ความทุกข์ พอเหยียบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆมาจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเหยียบย่ำทําลายของความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะมีพระพุทธเจ้า เป็นพระอค์แรกที่รู้จักวิธีดูแลรักษาจิตใจให้หลุดพ้นจากการเหยียบย่ทาทำลายของความทุกข์ทั้งหลายได้นั่นเองพอพระพุทธเจ้าได้ทรงสำเร็จภารกิจดูแลรักษาใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงนาเอาวิธีที่พระ อ, องค์ได้ใช้ในการดูแลรักษาใจ มาสอนให้ก่พวกเราต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังและมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถทำให้จิตใจนั้นหุดพ้น ít, จากความทุกข์ทั้งหลายได้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้ามีศรัทธามีความเชื่อ น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราได้รับเช่นเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันตสาวกท่านก็เคยเป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็เป็นกุฎุชนธรรมดา มีความโลภความโกรธความหลงมีความทุกข์ต่างๆเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านเหล่านั้นมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากการเหยียบย่ำทำลายของความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจจะต่างจากพวกเรา คือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พร้อมที่จะทำสุขถึงทุกอย่างที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้หมดไปพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นของชั่วคราวนะสละไม่สละถึงเวลาก็ต้องพัดภาคจากกันอยู่ดี แต่ท่าสละด้วยความยินดีสละเพื่อที่จะได้ตัดภาระผูกพันกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาดูแลรักษาใจได้อย่างเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงสระละราชสมบัติ พระสาวกทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบ้านเรือนครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาแล้วก็ออกไปปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นามสถานที่ที่ห่างไกลจากราบยศสรรเสริญ จากครอบสมบัติเข้าของเงินทองจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัพ์ต่างๆที่จะคอยหลอกล่อให้ใจนั้นติดอยู่กับกับดักของสิ่งเหล่านี้พอไปอยู่ห่างไกลไม่รับรู้ไม่เห็นกิเลสตัณหาความอยากที่จะกลับไปหาลาบยศสรรเสริญ กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สามารถหลอกล่อให้ใจกลับไปได้พอไม่มีกิเลสคอยหลอกคอยล่อ ก, การบำเพ็ญเพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายภายในใจให้หมดไปจึงเป็นการบำเพ็ญที่ง่ายดาย สดวกรวดเร็วสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ภายในเวลาอันไม่นานโอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวคือครั้งที่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอก จะไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ได้ภายในชาตินี้ก็จะต้องอาศัยการสะสมบุญบา ร, รมีต่างๆไปเท่ะเล็กเทละน้อยไปในแต่ละภพแต่ละชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สงบำเพ็ญบุญในบารมีต่างๆในชาดกเรื่องของพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าสิบชาตินี้ก็เป็น ชีวิตของพพระพุทธเจ้าในแต่ละภพแต่ละชาติที่ต้องสร้างบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆกันขึ้นมาจนกว่าที่จะพร้อมที่จะส่งให้พระองค์ได้ตัดสรู้ได้หยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ท่งบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆเช่นเมตตาบา ร, รมี ทานบาลานีศีลบาราีเนคขัมะบาลาีอุเบกขาบารมีปัญญาบาลาีอธิษฐานบาลาีสัจจะบาราีเวริยะบารมนีและขันติบาลาีในแต่ละชาติในในพระเจ้าสิบชาตินี้จะทรง เน้นบารมีใดบารมีหนึ่งเป็นหลักเช่นเป็นพระพุทธเป็นพระเวชสันดรก็เน้นการสร้างทานบารมีตอนที่เป็นพระที่ต้องลอยคออยู่ในทะเลก็ส่งเน้นวิริยะบารมีคือความอุตสาหะความภาคเพียรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ า, ามาสงสั่งสอน ก็ยังเป็นจะต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่จะมาตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีเป็นกับเป็นกันพบชาติที่ได้ต้องบำเพ็ญมานี้นับนับไม่ท่วน ว่ามีมากน้อยเพียงไรแต่พวกเรานี้เราไม่ต้องบําเพ็ญบารมีอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเพราะตอนนี้เรามีผู้นําทางผู้บอกทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราสามารถหลุดได้ภายในชาตินี้เลยอย่างพระอาหลานตสาวกทั้งหลายก็ได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายภายในชาตินี้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศระธรรมคาสอนก็จะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถบรรลุขั้นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุป แล้วนำเอาพ่อธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็ปรากฏมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากภายในชาตินี้เลยไม่ต้องรอการํำเพล น, นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนชาติ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงต้องบำเพ็ญมาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ไม่รู้ทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ไม่มีใครเป็นผู้สั่งสอนจึงต้องคำทางหาทางไปเองเหมือนกับคนตาบอดคำทางคิดดูก็แล้วกันว่าระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดนีนการเดินทาง ไปไหนมาไหนนี้ใครจะไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่ากันคนตาบอดถ้าไม่มีคนพาไปนี้จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการได้เลยแต่คนตาดีนี้หรือคนตาบอดที่มีคนตาดีพาไปนี้ก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดาย พวกเรานี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดแต่พวกเราโชคดีเราได้มาพบคนตาดีคือพระพุทธเจ้าผู้เห็นทางที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราเพียงแต่เดินตามทางเดินตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือ โชควาสนาอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ในขณะนี้นี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐวิเศษสำหรับพวกเรา เพราะว่าถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดที่ไม่มีคนตาดีนำทางเช่นคนที่เกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เขาก็จะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือว่าได้มาเกิดพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นเป็นสุนัขอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่สุนัขที่มาอาศัยวัดอยู่นี้ก็ได้รับประโยชน์ทางกาย กอได้มีสถานที่ปลอดภัยมีอาหารรับประทานเท่านั้นพอประทังชีพไปได้วันวันหนึ่งแต่จะไม่สามารถรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะสุนัขไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์นั่นเองแต่พวกเรานี้ได้ทั้งสองอย่างได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากนั้นยังมีศรัทธาความเชื่อที่จะศึกษาแล้วน้อมนาเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าออไปปฏิบัติถ้าเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อหรือเชื่อก็เชื่อแบบผิดผิดเชื่อแบบงมงายเช่น คนที่เข้าวัดเพื่อมากราพระแล้วก็ถวายเงินแล้วก็ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากพระพุทธศาสนาได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากศาสนาอื่นจากลทัทธิอื่นอยู่แล้วก็คือการทําบุญนี้ทุกศาสนาก็สอนให้ทําบุญด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่มีศาสนาใดที่จะสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์ได้อย่างถาวนนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว คำสอนของพระพธเจ้าที่แตกต่างกับศาสนาทุกศาสนานี้ก็คือคำสอนขั้นวิปัสสนานี้เองที่เรียกว่าโลกุตระธรรมเป็นคำสอนที่ทำให้จิตใจอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่คําสอนของศาสนาอื่นทุกๆศาสนา น, นี้สอนเพียงแต่โลกิยธรรม คือสอนให้ได้ไปเกิดในภพที่ดีได้เช่นให้ไปเกิดในสวรรค์ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะแม้แต่การไปเกิดในสวรรค์ก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกตอนที่เสื่อมจากสวรรค์กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆระหว่างพบของเทวดากับพบของมนุษย์แต่ก็ยังดีดีกว่าที่ไม่มีาศาสนาถ้าไม่มีาศาสนาก็จะไม่มีใครสอนให้ละ บ, บาปไม่ให้ทำชั่วกันก็จะคิดว่าการทำชั่วนี้ไม่มีผลอะไรตามมาแต่ความจริงนั้น การกระทำความเชื่อนี้จะทำให้ต้งไปรับใช้กรมในอบายที่เกิดเป็นในราชานกันที่ไปตดนรกกันนี้ก็เพราะเกิดจากการกระทำบาป ก, กันเกิดจากการไม่เชื่อครรําสอนของศาสนาต่างๆนั่นเองแต่ถ้าจะต้องการให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายก่อนหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรนี้ ต้องพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้เจริญวิปัสนาก็คือสอนใจให้ฉลาด mm. ให้เห็นความจริง mm. ให้เห็นเหตุที่ทำให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปรับความทุกข์ต่างๆนั่นก็คือเห็นอริยสัจสีนี่เอง mm. เห็นว่าความทุกข์ใจ mm. เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตาย ของจิตนี้เกิดจากตัณหาสาประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอย่างที่พวกเราอยากกันอยู่ทุกวันอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเห็นคนนั้นเห็นคนนี้อยากอยู่ใกล้คนนั้นอยู่ใกล้คนนี้ อยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะมีข้าวของต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมาตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะนี่เองเพอเกิดความอยากแล้วใจก็อยู่ไม่เป็นสุขเวลาอยากได้อะไรนี้จะมีความกังวลกวายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับกระตัิกระสายกว่าจะจะหายได้ก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่อยากได้แต่หายไปเพียงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็จะเกิดความกัวนกังวกรัตริกระ์ะสายความหงุดหิดกินไม่ได้นอนไม่หลับตามมาใหม่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้ จะไม่หยุดความอยากจะไม่ทําลายความอยากให้หมกไปแต่จะทําให้ความอยากนี้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรล่ว่าวิธีที่จะทําลายความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุของภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายนี้จำเป็นจะต้องใช้ปัญญา เธอต้องรู้ว่าการกระทาตามความอยากนี้จะไม่หยุดความอยากถ้าพวกเราสังเกตดูเราก็จะรู้เช่นคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่แล้วไม่หยุดสูบไม่ทำตามความอยากทุกครั้งอยากจะสูบก็สูบอย่างนี้ความอยากจะสูบบุหรี่จะไม่มีวันหมดไปแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้า เราอยากจะหยุดการสู่บุรีเราก็ต้องไม่สู่ทุกครั้งที่อยากเราก็ต้องไม่สู่เราต้องสู้กับความอยากให้ได้ถ้าเราสู้กับความอยากได้แล้วต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปเองแล้วในที่สุดเราก็จะไม่มีความอยากจะสู่บุรีเช่นเดียวกับความอยากทุกอย่างที่เรากำลักอยากกันอยู่ในขณะนี้ เราสามารถเอาชนะความอยากได้ด้วยการไม่ทำตามความอยากและเรามีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรามาใช้ในการดับความอยากต่างๆเช่นให้เราทำทานเวลาเราอยากจะไปเที่ยวให้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำทานมาท ำ, าทำบุญแทนถ้าเราเอามาทำบุญแล้ว เราก็จะมีความสุขใจอิ่ใจทำให้ความอยากไปเที่ยวนี้อ่อนกำลังลงทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวนี้หายไปได้แล้วถ้าเราอยากจะทำร้ายผู้อื่นอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะลักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีอยากจะดื่มสุราอยากจะโกหกเราก็ใช้การรักษาศีลมาหยุดความอยากเหล่านี้ ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้เราก็จะหยุดความอยากฆ่าอยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีอยากโกหกหลอกลวงอยากจะดื่มสุรายาเหาได้แล้วถ้าเราอยากจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถาวรเราก็มาเจริญสมะถะภาวนาลักวิปัสสนาภาวนากัน เพราะก่อนที่เราจะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องมีสมถะภาวนาก่อนเช่นก่อนที่เราจะวิ่งได้เราต้องยืนและเดินให้ได้ดก่อนถ้าเรายืนและเดินไม่ได้เรายัางจะวิ่งไม่ได้เด็กที่ก่อนที่จะวิ่งได้นี้ต้องหัดยืนขึ้นมาก่อนพอยืนขึ้นมาแล้วก็ต้องหัดเดินก่อนพอเดินได้แล้วถึงจะวิ่งได้ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นวิปัสนาได้เราก็ต้องเข้าสู่ขั้นสมถะให้ได้ก่อนต้องทาใจให้สงบให้ได้ก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบเราจะไม่เห็นโทษของตัณหาความอยากเราจะไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจแล้วเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ ถึงแม้ว่าปัญญาจะสอนจะบอกว่าการกระทําตามความอยากนี้จะทำให้ใจทุกข์จะทำให้ความทุกข์ไม่มีวันหมดไปแต่จะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปจะไม่เห็นความจริงอันนี้ถ้าไม่มีความสงบแต่ถ้ามีความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากนี้จะเห็นความแตกต่างกันทันที ขณะที่ใจสงบนี้เย็นสบายมีความสุขพอเกิดความอยากขึ้นมาความเย็นสบายความสุขนี้จะหายไปทันทีจะมีความรุ่มร้อนใจกลับขึ้นมาแทนมีความกังวลกัวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับตามกลับขึ้นมาทันทีอันนี้จะเห็นได้ชัดเวลาที่มีความสงบทางใจแล้ว จึงจำเป็นต้องเจริญสมถะภาวนาก่อนก่อนที่จะเจริญวิปัสนาภาวนาได้การเจริญสมถะภาวนาก็คือการเจริญสตินี่เองให้มีสตคิคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่เพียงเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่ค ำ, คำว่าพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยแล้ว ใจจะหยุดคิดใจจะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบได้ก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่ในโลกนี้จะไม่สามารถเทียบได้แล้วก็จะรู้ว่าหลงไปหาความสุขที่ผิดผิดที่ความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวกับไม่หา กลับไปหาความทุกข์ที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานั่นเองทุกข์กับเงินทองลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับบุตรธิดาทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่าง เพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีความให้ความสุขกับเราแต่พอเรามีเขาแล้วเป็นอย่างไรเราสุขไหมหรือว่าเราต้องมาทุกข์กับเขาเวลาเราไม่มีแฟนกับเวลาเรามีแฟนนี่ต่างกันไหมเวลามีแฟนเราต้องทุกข์กับแฟนหรือเปล่าต้องห่หงหวงเขาหรือเปล่าต้องห่วงเขาหรือเปล่าความห่วงความหวงนี่ก็เรียกว่าความทุกข์แล้ว ความเสีย อ, อกเสียใจเวลาเขาจากเราไปก็เป็นความทุกข์แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่คนเดียวเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเขาซื่อเราอยู่กับความสงบดีกว่าพยายามจะลานสติให้มากๆจนทำให้ใจสงบแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและเราจะไม่อยากได้ความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อีกต่อไป พอเราไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือขั้นตอนของการหยุดความอยากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันหยุดความอยากด้วยการทําทานหยุดความอยากด้วยการรักษาศีหหยุดความอยากด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัศสนาภาวนาแล้ว ความอยากทั้งหลายก็จะหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีภายในใจอีกต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไป<ม>นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้ภายในชาตินี้เลยไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ต้องสร้างบุญมารมีมาเป็นหลายแสนหลายล้านชาติด้วยกัน กว่าจะได้มาพบกับวิธีนี้พวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนามีบุญมากเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่พวกเรากลับขี้เกียจไม่ยอมไปขึ้นํางวันกันถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่สนใจที่จะเดินทางไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อขึ้นเงินรางวัลเราก็มัวแต่มายุ่งกับ เรื่องราวต่างๆที่เรายังเกี่ยวข้องอยู่ฉันใดพวกเราก็เหมือนกันเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้เป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามแล้วมีเวลาแต่ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติเพราะไม่แบ่งเวลามาให้กับการปฏิบัตินั่นเองยังมัวติดพันอยู่กับเรื่องการหาลาบยศสรรเสร หาความสุขทางต า, งางหูจลูกลิ้นกายอยู่พวกเราจรึงไม่ได้มาขึ้นลางวัลกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นบางวัลเพราะเผลอๆเดี๋ยวอาจจะตายไปก่อนวัยอันควรก็ได้ดังนั้นทางที่ดีเพื่อทางที่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทขึ้นมาเราต้องรีบหาเวลามาปฏิบัติทำให้ได้หาเวลามา รักษาศีลหาเวลามาเจริญสติเจริญสมถภาวนาเจริญวิปัสนาภาวนาให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หากันด้วยการสละความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายไปสละลาบยศสรรเสริญสุขไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็นที่ ภายในเวลาไม่กี่เดือนกี่ปีก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เรามีตัวอย่างที่ดีแล้วทำไมเราไม่เอาตัวอย่างที่ดี <c oughs> นี้มาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราอย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรือโง่ก็ขอให้นำเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ ไว้เพียงเท่านี้ขอคุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขวความเจริญมีวิริยะอุตสาหะมีฉันทะจิตตะวิมังสาที่จะดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ดำเนินเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไป ก็ขอยุติไว้เพียงตอนนี้แล้วจะให้พร